มาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพค่ะเคยมาป่ะเข้าเาเมื่อต้นเดือนมาครั้งนึงเจ้าค่ะอ๋อครั้งนี้ครั้งที่สองมีอะไรติดใจ่ะติดใจฟังธรรของพระอาจารย์อคือเราอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์เจ้าค่ะเออหนูติดตามไลฟ์ของพระอาจารย์อ๋อเคยไปวัดป่าอะไรอะไรวะ ที่สิงคโปร์ปนี่วัด ป, ป่าไร่มีพระผ้าชาวสิงคโปร์ปเข้ามาบวชอยู่ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เขาก็ไปดูแล ว, วัดป่าไร่ญาติโยมที่นั่นเขาก็สนใจปฏิบัติเคยสอนไปสอนเขาทางสกายเคยเคยเคยติดต่อกันผ่านทางสกายสอนเขา ตอนเย็นๆประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มกว่าสามทุ่มเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ไม่ต้องไปเองใช้ใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ไปสอนเขาอยู่พักอย่างห้าครั้งแล้วก็หยุดเพราะไม่รู้จะพูดอะไรนะให <c oughs> ้ทำงานอย่างนั้นนะแล้วก็มีโอกาสก็กลับมา เยี่ยมบ้านาแฟนเป็นชาวสิงคโปร์นะ <c oughs> คนไทยคนไทยคนไทยเจ้าค่ะที่นี่ก็มีพระชาวสิงคโปร์อยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีชาวมาเลเซียสองรูปต่างชาติที่นี่มีหกรูปทั้งหมดนะมีชาวฝรั่งเศสอยู่รูปหนึ่งอเมริกันรูปหนึ่ง อาร์เจนติน่ารูปหนึ่งอันนี้มีอยู่หรูปด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีความเหมือนกันก็คือมีความทุกข์ใจเหมือนกันแล้วก็ศาสนาพูทเป็นศาสนาที่สอนรักษาความทุกข์ใจ จึงสามารถรับได้ทุ ก, ทกชาติทุกวัยทุกเพศเพราะใจนี้เหมือนกันใจพวกเราเนี่เหมือนกันใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้รักผู้ชังผู้กลัวผู้หลงนี่คือใจผู้โลภผู้โกรธผู้หลงผู้อยากต่างๆนี่คือใจร่างกายนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ร่างกายมีเพียงแต่อาการสามสบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีเป็นตน้นแล้วร่างกายของเราแตกต่างกันแต่ใจของพวกเรานี้เหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันมีความทุกข์ใจสุขใจเหมือนกัน แต่เรามักจะมีทุกข์มากกว่าสุขหรือมีมีมีทุกข์ก็ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์สุขนี่ก็ก็ไม่มีปัญหาเลยเราเลยไม่ค่อยมีปัญหากับความสุขใจปัญหาของเราอยู่ที่ความทุกข์ใจว่าทำไมมันยังทุกข์อยู่เรื่อย เราก็พยายามหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆแต่ความทุกข์ใจมันก็ยังตามมาอยู่เรื่อยๆต่อให้เราหาจนวันตายความทุกข์ใจมันก็ยังตามมาอยู่เพราะเราหาหาความสุขใจที่ไม่ถูกนั่นเองความสุขที่เราหาเนี่ยมันเป็นความสุขที่กลายกลายได้เปลี่ยนแปลงได้ ความสุขที่เราหากันนี้มันมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปหลือหมดสภาพไปพอมันหมดสภาพไปความสุขที่เราได้รับจากมันมันก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากละให้ความสุขที่เราสูญไปนั้นกลับมาใหม่มหรือไม่จากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็เลยทุกข์ใจกันทุกข์เพราะความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอเรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เรา รักเราชอบที่ให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดพลาคจากกันพอเวลาจากกันก็ความทุกข์ก็ตามมาเพราะเราไม่อยากให้ของที่เรารักเราชอบต้องจากเราไปแต่เราก็ไม่เข็ดพอเราเสียของที่รักที่ชอบไป เราทุกข์ใจสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหามาใหม่หาของแบบเดิมแ้วเดี๋ยวก็มาทุกข์ใจใหม่สุกก่อนเวลาได้มาก็สุกก่อนสุกไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ก็ต้องทุกข์ต่อไปเราก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆสลับกันไปหาสุขแล้วพอเสียมันไปก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็หาใหม่หาใหม่แล้วก็สุข สุขแลเวเดี๋ยวก็สูญไปเลี๋ยวก็ทุกข์อีกนี่คือการหาความสุขของเราเป็นการหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเราไม่รู้จักความสุขถาวรเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เราจะไม่รู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นความสุขที่จะไม่ได้มีความทุกข์ตามมาพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงตัดสรลุก็ตัดสรลุเรื่องนี้เรื่องของความสุขที่แท้จริงเรื่องของความสุขที่ถาวรเรื่องของความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา พอท่านได้พบแล้วท่านก็เอามาสอนพว ก, พวกเราใครสามารถปฏิบัติตามคำสอนได้ก็ได้รับความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ได้รับตาแหน่งเป็นพราะอารหันต์สสาวกพระพุทธเจ้าเป็นพราะอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพราะอารหันต์คำว่าอารหันต์ก็คือผู้ที่ได้พบความสุขที่แท้จริง ควาสุขที่ถาวรด้วยตนเองพระอรหันต์ตสาสาพุทธเจ้านี้แปลว่าเป็นผู้ค้นพบความสุขนี้ได้ด้วยตส่วนพระอรหันตสาวกนี่เป็นผู้ฟังสาวกนี่แปลว่าเป็นผู้ฟังอรหันตตสาวกก็แปลว่าผู้ได้พ้นผู้ได้พบความสุขที่ถาวรด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถหาความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงหาได้ด้วยตนเองเลยเพราะคนที่จะมีความสามารถแบบพระพุทธเจ้านี้มีน้อยมากนานจะมีสักรูปหนึ่งโผล่ขึ้นมามาพบกับความสุขที่ถาวรเ อ, อ่อนิพพานังปาลมังสุขขัง ความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขสุดยอดของความสุขทั้งหลายอมรนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์เคล็ดลับของการหาความสุขที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ที่ถาวรนี้ก็คือต้องมาชำระใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตอนนี้ใจของพวกเรายังรักยังชังยังโกรยังหลงอยู่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราไม่บริสุทธิ์ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากไม่สูญอยากไม่เสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปนี่คือสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดทำให้ใจเราทุกข์กัน เราพวกเราไม่มีใครรู ata, ้กันว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันแทนที่เราจะกำจัดมันเราก็เลยสะสมมันสะสมความโลภสะสมความโกรธสะสมความโงสะสมความอยากด้วยดวยการกระทาตามความโลภความอยากนี่เองทุกครั้งที่เราทำตามตามตามความโลภทำตามความอยากเรากำลังสะสมความโลภความอยาก ให้อยู่ในใจของเราต่อไปใจของเราก็เลยต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอาหารหันตสาวกที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้า มาค้นพบความสุขที่ถาวรที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่พวกเราแทนที่จะหาความสุขในใจเราเรากลับไปหาความสุขภายนอกกันาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแล้วก็เลยต้องน้องห่มน้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน พอเวลาที่เราสูญเสียราบยดสร ะ, ะเสริญไปสูญเสียรูปเสียงกิ่นลดไปไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับรักษาราบยดสร ะ, ะเสริญรักษารูปเสียงกิ่นรดต่างๆให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราก็ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แฟนใหม่ ถ้าไม่ได้แฟนใหม่ก็ต้องมีความสุขภายในใจถ้าทำใจให้สงบได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนใหม่ไม่ต้องมีรูปเสียงเกียรติรถใหม่ไม่ต้องมีราบยศสารเสนใหม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา จะพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้ก็ดีถ้าไม่พบก็พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแทนก็ได้เพราะคําสอนที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัสศจากเราเพราะตัวแทนของเราก็คือ คำสอนต่างๆที่เราสั่งสอนไว้ที่พวกเธอได้บันทึกได้จดจำกันไว้อันนี้แหละจะเป็นตัวแทนของเราเป็นครูของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปร า, าศจากศาสดาล้วก็นอกจากาศาสดาคือพระธรรมคาสอนแล้วก็ยังมีครูคือพระอหรหันตสาวก พระสาวกเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามจนสามารถพบกับความสุขที่ถาวรได้ท่านก็สามารถสอนพวกเราให้พบกับความสุขที่ถาวรได้แทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันตอนนี้เรายังมีพระธรรมคำสอนอยู่คือพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีพระอรหันต ถ้าพวกเราอยากจะได้ลุกเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าหาพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายหรือพระอริยสงสาว ก, ก็ได้พระอริยสงฆ์่มีอยู่สี่ท่านเหมือนกับนักศึกษาที่มีระดับปริญญาอยู่สามขั้น ปริญญาตปริญญาโทปริญญาเอของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สขั้นนักศึกษาทางพระพุทธศาสนาขั้นปริญญาตรขั้นแรกก็เรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามก็อาณาคามีขั้นที่สี่ก็อ า, อารหันต์ท่านเหล่านี้จะมีความรู้ความสามารถ ลดหลั่นกันไปพระโสดาบันมีความรู้ทามสามารถขั้นต่ำที่สุดแต่ก็เป็นขั้นที่ทำให้ท่านนี้จะได้พบกับความสุขที่ถาวรอย่างแน่นอนแต่ยังต้องต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติต่อเหมือนกับนักศึกษาที่จบปริญญาจีก็ สามารถที่จะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกได้พวกนี้พอได้ข่านปริญญาแล้วก็สามารถที่จะเรียนถึงขั้นปริญญาอีกได้ผู้ที่ได้โสดาบันแล้วก็จะสามารถปฏิบัติต่ตอไปขึ้นไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้ตามลาดับโดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์มาสอนแล้ว ก็พบทางแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดห้อยปลายทางเหมือนกับพบทางด่วนแล้วเวลาเราขับรถนี่บางทีเราเห็นทางด่วนอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างล่างเราอยากจะขึ้นทางด่วนแต่ไม่รู้มันขึ้นตรงไหนเราก็ต้องขับรถวนไปวนมาพอเราเจอทางขึ้นแนละ้วทีนี้สบายแล้วพอขึ้นทางด่วนได้แนละ้วทีนี้มันก็จะพาเราไปสู่สิ้นสุดของทางด่วนนะ มันจะไม่มีทางอื่นไปมันไม่ย้อนมันไม่ย้อนกลับด้วยมันพอขึ้นแล้วมันก็จะตรงไปอย่างเดียวพอใครได้เข้าสู่ทางด่วนของพรนธะิพานนวก็จะไปสิ้นสุดที่พันิพานจะไปถึงพันธิพานพระโสดาบันนี่มีความหมายว่าโสดานี่แปลว่ากระแสโสดานี่ไปมาจากภาษาบาลีคำว่าโสตะ โสตะนี่แปลว่ากระแสกระแสอะไรก็กระแสของพระนิพพานนั่นเองเกระแสที่จะพาผู้ที่ตกเข้าไปสู่กระแสนี้ไปสู่พระนิพพานเหมือนกับผู้ที่ขึ้นทางด่วนก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทางด่วนจะพาไปั้นผู้ที่ไปเป็นโสดาบันนี้ยังไม่ถึงนิพพานเพิ่งเพิ่งพ่งเข้าสู่กระแส ต้องต้องวหว้ไปอีกเดี๋ยวก็จะถึงขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลาดับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนก็ไม่หลงทางแล้วรู้จากทางแล้มีคนพาขึ้นทางด่วนเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่ไม่ไม่หลงทางด่วนแล้วจะคนจะมีคนพาไม่มีคนพาก็ไม่เป็นไม่มีปัญหานล พวกที่เป็นโสดาบันนี่ถือว่าตายไปก่อนที่จะได้เป็นผ้าอรหรนันนี่กลับมาเกิดใหม่ก็จะปฏิบัติเองได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติไปตามความรู้ที่เขารู้มาได้เพราะเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรเขาต้องหยุดความอยากหยุดความรักความชางังความกลัวความหลงความโลภต่าง และเขารู้เครื่องมือที่จะใช้ในการหยุดก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เขาได้ใช้อยู่ทำให้เขาได้บรรลุขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันเขาก็จะใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือกำจัดความอยากส่วนที่ยังมีเหลืออยู่ในใจพระโสดาบันนี้กำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจได้ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ จะขยับขึ้นไปกำจัดอีกส่วนหนึ่งอีกสองส่วนอีกสามส่วนไปเรื่อยๆจนถึงหมดต่อไปความอยากต่างๆในใจก็จะหายไปหมดปะโสดาบันนี้กระจายความอยากอะไรได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆที่มีอยู่ปะโสดาบันเห็นเห็นด้วยปัญญาว่า มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราลาบยศสารเสริมสามีภรรยาบุตรธิดาเออะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียมันไปหมดท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยปล่อยวางได้เพราะท่านเห็นว่าถ้าไปยึดไปติดจะทําให้ทุกข์ ความทุก์ไม่ได้เกิดจากความสูญเสียความทุกข์เกิดจากความไม่อยากสูญเสียการสูญเสียนี่มันเป็นธรรมดาการพัดพากจากกันนี่เป็นธรรมดาเราต้องพัดพากจากกันเวลาตายไปนี่เราเอาอะไรไปได้ไนหะเราเสียหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าไหลก็เสียหมดมีสามีมีภรรยามีลูกก็เสียหมด ร่างกายนี้ก็เสียแต่ถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่เสียไม่มีความอยากให้มันไม่จากเราไปตัวปัญหาก็คือความอยากไม่เสียความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จากเราไปเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้พอเราหยุดได้เวลาเราเสียอะไรเราจะรู้สึกเฉยๆ เราจะไม่ทุกน์การนี้ที่เราทุกข์กันเพราะเราไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บกันไม่อยากตายกันพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่เราทุกข์กันมากเพราะเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเราไปคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายนั่นเอง <S <S เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าพอร่างกายตายเราจะตายไปกับมันด้วย แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้สั่งให้พูดสั่งให้ทําอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายทําอะไรเองไม่ได้ร่างกายต้องรอรับคําสั่งเี่ยวันนี้จะมาที่นี่ได้ใจต้องสั่งมาก่อนใช่ไหมต้องคิดมาก่อนว่าวันนี้มาวัด ไหวันวันนี้มาวัดดีไหมถ้าดีก็ชวนกันมาสั่งให้พูดแล้วสั่ให้พูดชวนเพื่อนชวนสามีชวนภรรยาวันนี้มาวัดกันนะ น, นี่ผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันนะแต่ไม่มีใครรู้ในโลกนี้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกไอสไตานก็ยังไม่รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันนะ เขาก็ยังคิดว่าเป็นคนเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันถ้าร่างกายตายใจยก็ต้องตายไปด้วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใจไม่มีวันตายมีแต่ร่างกายที่จะมีวันตายแต่ใจนี้ไม่มีวันตายใจยนี้นะที่มาได้ร่างกายใหม่เวลาร่างกายเก่าตายไปใจนี้มาได้ร่างกายา มาได้ตอนที่พ่อแม่ผสมพันธ์กันพอพ่อแม่ผสมพันธ์กันเอาเชื่อของพ่อเอาเชื่อของแม่มามาบวกกันเข้าใจก็เลยมาครอบครองทันทีมาจับจองเหมือนกับเราไปจองรถที่ยังไม่ได้ผลิตสมัยก่อนรถขายดีที่ร้านไม่มีรถขายเลยต้องสั่งซื้อใบจองกันจองรถที่เขากำลังจะผลิตในโรงงาน พอเขาผลิตเสร็จแล้วก็เอาใบจองไปให้โรงงานเขาก็ให้รถเรามาถ้าไม่มีใบจองเขาก็ให้เราไม่ได้เราไปซื้อที่โรงงานเวลาที่เขาผลิตเสร็จแล้วไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่มีใบจองเขาให้ไม่ได้ต้องให้คนที่มีใบจองก่อนถ้าจะซื้อก็ต้องรอรอส่วนที่เหลือถ้าไม่มีใครจองแล้วก็เอาไปได้ ร่างกายของเราเนี่ยเราไปจองไว้ในขณะที่กำลังตั้งท้องอยู่ในแม่ในท้องแม่ตั้งคันพอแม่ตั้งคันปั๊บใจเราก็ไปเกาะติดทันทีใจไม่ได้เข้าไปในท้องแม่หรอกใจส่งกระแสเข้าไปกระแสที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่มีอยู่ห้าสายด้วยกันวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย มันจะไปเกาะที่ตาหูจมูกเล่นกายพอร่างกายออกมาจากท้องแม่พอลืมตาขึ้นมันก็ส่งภาพมาให้ที่ใจเลยนี่คือใจอยู่อีกที่หนึ่งร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็อาศัยวิญญาณนี่มาเกาะมารับสัญญาณเหมือนสมัยนี้เขาส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวต่างๆ ดาวยานอวากาศนี่ก็มีกล้องมีไมโครโฟนไว้รับภาพรับเสียงดาวพอยานอวากาศไปถึงดาวที่เขาต้องการให้ไปเช่นดาวอังคารพอลงไปถึงดาวอังคารมันก็ถ่ายภาพส่งกลับมาถ่ายภาพรับเสียงกลับมาผู้ที่รับเห็นภาพเห็นเสียงนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวากาศอยู่ในโลกนี้ แต่ติดต่อกันด้วยสัญญาณทางวิทยุก็มีสัญญาณส่งมาทางวิทยุส่งภาพส่งเสียงมาให้กับผู้ควบคุมยานที่อยู่บนโลกนี้ผู้ควบคุมยานอาวกาศไม่ได้ขึ้นไปกับยานอาวกาศนะแต่สามารถเห็นภาพของดาวอังคารได้เขาถ่ายภาพดาวอังคารมาให้ดูสามารถวิเคราะห์ดินของดาวอังคารได้เขามีเครื่องม้เครื่องมือที่จะสามารถ วิเคราะห์ดินว่าดินนี้ประกอบด้วยธาตุชนิดไหนบ้างมีแร่ธาตุชนิดไหนบ้างมีน้ำหรือไม่มีสิ่งที่ก็ต้องการจะสารวจก็คือว่ามีธาตุที่จะทำให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมถึงแม้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่อาจจะมีมีในอดีตมันอาจจะมีธาตุที่ทำให้สนับสนุน ชีวิตคือร่างกายของมนุษย์และสัตว์ได้มันสามารถค้นคว้าได้โดยที่คนเราไม่ต้องไปเห็นดาวอังคารนี่คือลักษณะเดียวกันกันกบใจเรากับร่างกายเราเป็นคนละส่วนกันใจเราเป็นผู้ควบคุมร่างกายร่างกายเป็นเหมือนยาลาวกาศตอนนี้ร่างกายมาสำรวจโลกนี้รูป้ปะมาสำรวจรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็ส่งไปให้ใจพอใจเห็นรูปที่ชอบก็สั่งให้ไปซื้อมาเลยพอได้ยินเสียงที่ชอบก็สั่งให้ไปซื้อมาเลยพอได้ริ้มรดดมกลิ่นที่ชอบพอได้ร ด, ดกาแฟหน่อยโอ้ชอบสั่งให้ซื้อมาเลยสั่งให้ไปสตาร์บักอยู่เรื่อยๆคนที่ไปคือใจแต่คนที่กินคือร่างกายใจเพียงแต่ได้สัมผัสกับ กิ่นของกาแฟได้สัมผัสกับรสของกาแฟแต่ไม่ได้กินใจไม่ได้กินร่นางกายเป็นผู้กินแต่ร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นเพียงแต่เหมือนกับยานวาวกาศที่เขาที่มันเขาสั่งให้หยิบอะไรเข้าปากมันก็หยิบเข้าปากไปอันนี้ก็พูดให้เห็นว่าเราไม่ต้องไปกลัวตายไม่ต้องไปกลัวร่างกายมันจะตายหรือไม่ตาย เพราะเราไม่ได้ตายตามมันเหมือนคนที่สำรวจยาแนวคนที่ควบคุมยาแนวากาศเขาไม่กลัวว่ายาแนวากาศจะจะเสียก็ไม่เสียจะพังก็ไม่พังเสียก็เรื่องของมันมันไม่ได้มาทําให้คนควบคุมยาแนวากาศเสียด้วยขอให้เราแยกใจกับร่า่งกายออกให้ได้อย่างนี้วิธีที่จะแยกได้ก็ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิ เราจะดึงกระแสห้ากระแสนี้กลับเข้าใจตัดการรับรู้ร่างกายชั่วคราวเราจะใช้พุทโธพุทโธใช้สติดึงให้ใจกลับเข้ามาตอนนี้ใจเราชอบออกไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใช่เวลานั่งสมาธินี่เราให้ปิดตาไม่ให้ออกไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ให้ดึงเข้ามาตัวที่จะดันให้ใจ ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอามาหาตาหูจมูกนิ้วกายก็คือความคิดนี่เองพอเราคิดถึงอะไรปั๊บมันก็ใจมันก็ไปหาสิ่งนั้น ท, ทันทีคิดถึงรูปก็ไปหารูปคิดถึงเสียงก็ไปหาเสียงแต่ถ้าเราหยุดคิดปั๊บมันก็ไม่มันก็ไม่ไปนี่เวลานั่งสมาธิเราต้องหยุดความคิด พอเมื่เราหยุดความคิดแล้วเราจะหยุดกระแสของวิญญาณที่จะไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายอาวิชชาปัจจยาสังขาระอวิชชาตัวไม่รู้ชอบคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอคิดปั๊บมันก็ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอเกาะตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็รับรูปเสียงกลิ่นรสได้ พอรับรูปเสียงกิ่นกอดได้ก็เกิดเวทนาเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความชอบขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ทำให้มีเกิดอุปทานความติดติดพันพอชอบอะไรก็ต้องให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาจากไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรเสียใจถ้ายังหาใหม่ได้ก็หาใหม่ต่อ เห็นไหมดืมกาแฟถ้วยนี้หมดแล้วเดี๋ยวอยากใหม่ก็หาหาถ้วยใหม่มาดื่มได้แต่ของบางอย่างหามาทดแทนเหมือนกับกาแฟไม่ได้ายากกว่าคือแฟนนี่หายากกว่ากาแฟเสียแฟนคนนี้แล้วกว่าจะหาแฟนคนใหม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยหรืออาจจะไม่ได้เหมือนกับของเก่าไม่เหมือนกับกาแฟกาแฟถ้วยใหม่กับกาแฟถ้วยเก่านี่มันเหมือนกัน ปัญหาง่ายแต่แฟนแฟนใหม่กับแฟนเก่านี่มันไม่เหมือนกันแต่ก็ยังต้องเอาในเมื่อแฟนเก่าไม่มีแล้วอยู่คนเดียวมันก็เหงามันเหงาเพราะมันอยากมีแฟนเนี่ยความทุกข์คือความเหงานี่เองเกิดจากความอยากมีแฟนพอไม่มีแฟนมันเลยเหงานี่คือปัญหาของใจของพวกเรา ถ้าเราไปหาความสุขชั่วคราวเราก็จะต้องเจอกับความเหงาเจอกับความว้าเหวเจอกับความซึมเศร้าเจอกับความเสียใจสนเสียสิ่งที่เรารักไปก็เสียใจเสียตำแหน่งไปก็เสียใจเสียเงินทองไปก็เสียใจเสียข้าวของไปก็เสียใจพอเราไปหาความสุขผิด่ย ไปหาความสุขชั่วคราวเราต้องกลับมาหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็คือทําใจของเราให้สงบฝึกนั่งสมาธิกันดึงใจถอดปลั๊กทั้ง5้าออกจากตาหูจมูกลิ้นกายดึงวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้มันเข้ามาอยู่กองกลางใจให้เข้ามาอยู่ที่ฐานของใจคือสมาธิสมาธิก็คือที่หยุดทํางานของ วิญญาณนี่เองพอจิตสงบเป็นสมาธิวิญญาณก็หยุดทํางานวิญญาณก็ไม่รับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสมาให้ใจอพอไม่มีไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจได้สัมผัสแทนที่ใจจะไม่สบายกลับสบายกว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าเราได้พบกับความสงบอันนี้แล้วทีนี้เราก็จะเลิกหาความสุขชั่วคราวได้เลิกหารูปเสียงกิ่นสดต่างๆได้เลิกหาราบยศสารเสรินได้พอเราไม่หาเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราจะมีเงินไม่มีเงินเราก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมนักบวชนี่เขาไม่มีเงินกันเพราะว่าเขามีความสงบแทนเขามีความสุขจากความสงบ เราเลยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเหมือนพวกคา่าญาติโยมญาติโยมนี้ยังต้องซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวซื้อกาแฟมาดืม่มเดี๋ยวซื้ออะไรมากินเดี๋ยวซื้ออะไรมาดูเดี๋ยวซื้ออะไรมาฟังซื้ออยู่เรื่อยๆอันนี้เพราะเราไม่มีความสุขภายในใจไม่มีความสงบแต่ผู้ที่มีความสงบภายในใจแล้วจะไม่ต้องซื้อของต่างๆมาให้ความสุข ข้อ 1. ความสุขที่มีอยู่ในใจมันมีมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอยูใ น, ในใจสองเป็นความสุขที่ดีกว่าด้วยเป็นความสุขที่ดีกว่าได้การได้ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนแล้วก็นำเอามาบอกพวกเราสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้พบกับความสุขแบบนี้เราก็ต้องเิ วิธีหาความสุขแบบที่เรากันหากันอยู่ใน ต, ตอนนี้เแล้วใช้เงินซื้อความสุขต่างๆซื้อแต่ของจําเป็นที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคเวลาไม่สบายซื้อเสื้อผ้าถ้ามันขาดแคลนถ้ามันมีพอก็ไม่ต้องซื้อซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน ถ้าม่มีบ้านก็ซื้อบ้านชาวบ้านถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อหลายบ้านบ้านเดียวก็พออันนี้จำเป็นเอาเวลามาฝึกทําใจให้สงบกันดีกว่ามาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาหาความสงบกันดีกว่าอย่า เ, อาเวลาไปหาเงินทองกันเอาความสุขที่ได้จากเงินทองสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ แล้วก็ความสุขที่ได้จากเงินทองนี้มันมีโทษตามมามีทุกข์ตามมาเวลาเงินหมดนี่เวลาเงินไม่พอใช้มันก็ทุกข์อ่หรือเวลาต้องจากเงินทองไปเวลาต้องตายไปก็ทุกข์อะไม่มีใครอยากจะจากเงินทองที่มีอยู่ไปเสียดายหามาแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วมาหาความสุขที่เกิดจากความสมบดีกว่า มันจะอยู่กับใจไปตลอดใจอยู่ที่ไหนมันก็ตามใจไปแต่ข้าวของเงินทองนี้ตามไปไม่ได้พอร่างกายนี้ตายไปใจต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งร่างกายทิ้งข้าวของเงินทองไปหมดถ้าไม่มีความสุขในใจก็จะไปด้วยความหิวไปด้วยความอยากก็จะทําให้ไปเกิดใหม่เรากลับมาเกิดมารู้กี่ร้อยรอบกี่ล้านรอบแล้ว ไม่รู้ได้ร่างกายนี้มาไม่รู้กี่ล้านร่างกายแนละ้วเพราะเรายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็เลยต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เราต้องเลิกดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าท่านเลิกท่านก็เคยทำแบบเรา ท่านก็เป็นพระราชโอรสท่านก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่ามันมีความทุกข์ตามมาหาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายไปจัดงานเลี้ยงกี่ครั้งพะจัดเสร็จแล้วมันก็หมดไปเช่นวันนี้จัดงานเลี้ยงสุขสนุกสนานกันใหญ่สิ้นปีนี้นับเข้าดาวกันเลี้ยงฉลองกัน กินกันดื่มกันดูกันฟังกันพอรุ่งเช้าหายไปหมดแล้วพอปีใหม่ความสุขของปีเก่าหายไปหมดเลยมีแต่ความทุกข์ของปีใหม่มาแสดงตัวก่อนแล้วบวงที่กินเหล้ามากๆตื่นขึ้นมาก็ป ว, วดศีรษะนะหรือนอนไม่พอบางทีนอนดึกไม่ได้นอนต้องตื่นขึ้นมาก็เจริญเจริญ นี่แหะคือความสุขที่พระเจ้าได้เห็นได้สัมผัสแล้วพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายิ่งทําให้หวาดกลัวขึ้นมาอีกราะต่อไปเวลาแก่จะไม่สามารถหาความสุขได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปดูคนที่อยู่โรงพยาบาลเขาหาความสุขกันหน้าป่าถึงแม้เขาจะจัดห้องพิเศษเหมือนกับโรงแรานี้โร ง, งพยาบาลบางแหง่งแต่มีใครอยากจะไปอยู่โรงแรมแบบนั้นไหมถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไป อย่างนอาจะมีทีวีมีอะไรให้ดูแต่ใจมันไม่มีกระจิตกระใจที่จะดูมันอยากจะหายอย่างเดียวอยากจะหายแล้วมันจะได้ไปหาความสุขแบบเดิมอีกหาเท่าไหร่มันก็หมดแล้วเดี๋ยวพอตายไปก็จบเอย่า <c oughs> พระพุทธเจ้าเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายแลก็บอกว่าถอยดีกว่าความสุขแบบนี้ไม่เอาดีกว่า เอาความสุขแบบของนักบวช ด, ดีกว่าเห็นนักบวชเขาไปบวชกันไปหาความสุขจากความสงบกันอันก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าพอได้พอได้ลูกมาปั๊บหนีเลยรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไปไม่ได้เพราะความรักความห่วงลูกแบางแม่นคนเรานี่ไม่รักมีรักผัวเท่ากับรักลูกนะทิ้งผัวทิ้งเมียได้แต่ทิ้งลูกทิ้งไม่ได้ รักลูกมากกว่ารักผัวรักเมียใช่ไหมคนที่มีผัวมีเมียมีลูกใช่หรป่ะให้เลือกระหว่างผัวกับลูกจะเลือกใครก่อนเราท่านเจ้าบอกว่าเมียยังพอจะทิ้งได้แต่ถ้าลูกนี้คงจะทิ้งไม่ได้ถ้าหลอดลูกเป็นบ่วงท่น พอได้ข่าวว่าได้ลูกมาท่านบอกท่านอุทานออกม า, วาบวงเข า, าเลยตั้งชื่อลูกว่าบ่วงพระราหุนนี่แปลว่าบ่วงเขามาบอกท่านว่าพระมเหสีได้คลอดลูกให้แล้วท่านก็อุทานออกมาบวงบวงเกิดขึ้นแล้วพอเขาได้ยินเขาก็เลยเอาไป เ, เอาคาว่าราหุนนี่ที่แปลว่าบ่วงนี้ไปตั้งชื่อให้ลูกพระราหุน ท่านก็หนีออกจากวังไปในคืนนั้นเลยเพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านอยู่ต่อไปท่านคงจะไปไม่ได้ท่านก็เลยต้องใช้ตัดสินใจในคืนนั้นแล้วก็มุ่งไปหาความสงบหาความสุขที่ท่านเคยได้สัมผัสครั้งหนึ่งในตอนที่ท่านเป็นเด็กตอนเป็นเด็กนี้ท่านเคยอยู่ตามลําพังวันนั้นมีงานอะไรไม่ทราบมีพวก คนที่คอยดูแลห้อมล้อมท่านนี้เขาไปช่วยงานกันปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่คนเดียวพอท่านอยู่คนเดียวไม่มีใครล้อมห้อมล้อมไม่มีใครมาชวนคิดชวนพูดใจกับท่านก็สง บ, บเลยเพราะท่านเคยฝึกนิสมาธิมาในชาติก่อนมันติดมากับชาตินี้พออยู่คนเดียวตามลำพังพอกายวิเวกปั๊บจิตก็วิเวกขึ้นมาทันที ท่านก็เลยรู้สึกว่าประหลาดมาสัญจันใจว่าทําไมท่านอยู่เฉยๆมีความสุขเหลือเกินแต่เป็นความสุขครั้งเดียวพอพวกข่าราชบริพารมากลับเข้ามาก็มาชวนท่านคุยมาหาอะไรให้ท่านดูท่านฟังความสงบนั้นก็หายไปแต่ท่านจะจดจําได้ว่าโอใจนี้มีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสงบนี้ ท่านก็เลยมุ่งไปหาความสงบนี้แต่ความสงบที่ท่านได้ในตอนนั้นยังเป็นความสงบชั่วคราวยังไม่ต่อเนื่องตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงท่านอยากจะไปหาความสงบแบบต่อเนื่องยี่บสี่ชั่วโมงท่านก็เลยไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆที่ชำนาญในการฝึกในการทำสมาธิก็สามารถได้ฌานได้รูปฌปานได้อรูปฌาน แต่มันก็ยังเป็นความสงบชั่วคราวอยู่นั่นพอออกจากสมาธิออกจากฌานมาความสงบนั้นก็หายไปไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะให้ความสงบนี้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในฌานไม่ต้องเข้าไปในสมาธิในที่สุดท่านก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองก็สงคนพบว่าวิธีที่จะให้ความสงบที่ได้จากฌานจากสมาธินี้อยู่ต่อไป หลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วก็คือต้องกําจัดความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากว่าต้องอยากไปทำตามมันพออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟก็อยากไปดื่มมันไม่จำเป็นต้องดื่มถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้จำเป็นการดื่มน้ำเปล่านี้ไม่ได้เี่กาดื่มด้วยความอยากดื่มด้วยความจำเป็นเพราะร่างกายมันต้องมีน้าหล่อเลี้ยง แต่การดื่มกาแฟนี้ไม่จำเป็นไม่เป็นความอยากถ้าเราดื่มอะไรทำอะไรตามความที่ไม่จำเป็นเรียกว่าเป็นความอยากอยากดูภาพยนตร์อยากฟังเพลงนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าไม่ได้ดูก็ไม่ตายไม่ได้ฟังก็ไม่ตายแต่การดื่มน้ำนี่จำเป็นเพราะถ้าไม่ได้ดื่มน้ำนี่ร่างกายตายได้อันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะ ว่าอะไรเป็นการกระทําที่จําเป็นไม่ใช่เป็นความอยากอะไรเป็นการกระทําที่เป็นความอยากพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดหมดเลยพราะออกจากสมาธิมาพออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ตัดหมันเมื่อก่อนนี้ท่านไม่รู้ว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ทําให้ใจท่านไม่สงบพอตอนหลังท่านมองว่าร่างกายยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้มันต้อง แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ด้วยการที่เราเฉยๆไปกับมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพอท่านรู้เคล็ดลับแล้วะวิธีที่จะทบให้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบที่ได้จากฌานได้จากสมาธินี้อยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็อยากไปทาตามความอยาก พอไม่ทําตามความอยากไอ้ความสงบก็จะอยู่ต่อไปไอ้ตัวที่มาทําลายความสงบก็คือความอยากนี่พออยากกาแฟปั๊บนี่ถ้ไม่ได้ดื่มกาแฟใจก็สั่นแล้วนะไม่นิ่งแล้วไม่สงบแล้วแต่ถ้าเราฝืนไปอยากไปทํามันเดี๋ยวความอยากมันหยุดพอหยุดแล้วใจก็หายสัน่นใจก็กลับสู่ความสงบต่อไปเนี่ยคนที่เลิกบุหรี่เลิกกาแฟเลิกเหล้า ก, ก็ต้องอย่างนี้ต้องให้มันสั่งไปแล้ว เดี๋ยวมันหายสันเองต้องทนหน่อยอดทนหน่อยอย่าไปทําตามความอยากอยากจะดื่มก็อย่าไปดื่มอยากจะสูบ ก, ก็อย่าไปสูบเดี๋ยวพอเราไม่สูบไม่ดื่มเดี๋ยวความสันในใจก็หายไปพอหายแล้วทีนี้มันก็ไม่มีมันจะไม่สันอีกต่อไปมันจะไม่มีความอยากบุหรี่ไม่มีความอยากสุราไม่มีความอยากกาแฟอีกต่อไปมันจะเฉยได้มันจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องดื่ม ระลางดื่มกับไม่ดืม่มการไม่ดื่มนี้กับดีกว่าเพราะมันไม่สั่นเวลาไม่มีเดืม่มเวลาอยากดื่มมันไม่มีเดืม่มนี่มันสั่นแต่ถ้าเราไม่มีความอยากดืม่มแล้วมันจะไม่สั่นอีกต่อไปในที่สุดก็สองคนพบวิธีที่จะทำให้ความสุขความสงบที่ได้จากความความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นได้อย่างตลอดเวลา24ชั่วโมง ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกเนี่ยมีความสงบตลอด24ชั่วโมงมีความสุขตลอดเวลาท่านถึงเรียกว่านิบานังปรมังสุขขงังความสุขอันสุดยอดอันสูงสุดเพราะเป็นความสุขตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดพอทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดแนละ้วพออยากอะไรก็ไม่ทำตามมันอยากซื้อกระเป๋าก็ไม่ซื้ อ, อถ้าไม่จาเป็นนะอยากซื้อ ข้าวถ้าไม่จําเป็นก็ไม่กินมันกินมื้อเดียวก็พออยากจะดื่มอะไรถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ดื่มมันดื่มเต่ของที่จําเป็นของที่ร่างกายต้องการนั้นพอตัดความอยากได้หมดแล้วที่ก็สบายสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ <c oughs> นี่แหละคือวิธีที่พู้เจ้าทรงได้ค้นพบแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้พวกเรา ให้พอเรายุติการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกายทางเงินทองกันเราให้มาหาความสุขจากการมาฝึกสมาธิกันนั่งสมาธิมาถือศีลแปกันศีลแปขึน้นไปเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองแล่วเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันให้มากๆตอนต้นนั่งสมาธิให้จิตเกิดความสุขก่อน พอมีความสุขจากสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาประคองรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิต่อไปด้วยการหยุดความอยากต่างๆเวลามันโผล่ขึ้นมาทุกครั้งนี่มันโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันหยุดมันต่อไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาต่อไปมันก็จะไม่มีเหลืออยู่ในใจเราพอไม่มีเหลือแล้วใจเราก็จะสบายไม่มีอะไรมารบกวนใจ ตัวที่รากวนใจเราไม่ใช่ใครที่ไหนละก็ความอยากของเรานี่เองพออยากขึ้นมาแล้วใจไม่สบายละกวนใจละ อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่ละต้องไปหาให้มันละถ้าไม่หายมันมันก็ทำให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราวุ่นใจเราเครียดใจเราหมุดหิดอารมณ์ไม่ดีพอได้มาก็หายไปเดี๋ยว เดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ก็หงุดหงิดใหม่แต่ถ้าเราทํำอีกวิธีหนึ่งมันหงุดหงิดก็ไปมันหงุดหงิดไปเดี๋ยวมันหมดแรงเดี๋ยวความอยากหมดแรงความหงุดหงิดมันก็หายไปเแต่เราจะทนไม่ไหวนั่นเองเราต้องมีสมาธิเราถึงจะทนได้เพราะเราจะมีความสุขของสมาธิช่วยทําให้ความทรมานใจมันไม่ไม่หรุนแรงทําให้เราสู้มันได้นี่ถือ สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก่อนที่จะมีมีปัญญามาหยุดความอยากเราต้องมีสมาธิก่อนแล้วก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนเราต้องฝึกสติให้มากๆพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันจะดึงให้เราไปหาไปเกิดความอยากขึ้นมาพอเราไม่คิดอะไรใจเราก็จะสงบจะมีความสุข นี่คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขด้วยการมาปฏิบัติศีนสมาธิปัญญากันอย่าไปหาความสุขจากลาบยศจระเสริญจากรูปมเสียงกลิ่นลดเลยเพราะมันเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาต้องร้องหม่มร้องห้ามกันเพราะเวลาสูญเสียความสุขเหล่านั้นไปมาทํากันมาปฏิบัติกันไม่ยากหรอก ถ้ายากก็พระพุทธเจ้าก็มาสอนพวกเราให้เหนื่อยเปล่าท่านมาสอนเพราะท่านรู้ว่ามีคนที่ปฏิบัติตามได้จะมีพระอรหันหตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากเหมือนกับมหาวิทยาลัยถ้าเขารู้ว่าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนมาเรียนท่านเขาก็ปิดดีกว่าแต่พอเปิดมหาวิทยาลัยก็มีคนมาเรียนกันจบปริญญาตรีโทเอกกันเยอะแ ย, ยะไปหมดนสมัยก่อนไม่มีมหาวิทยาลัย ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเรียนมหาจะเรียนปริญญากันได้หรือเปล่าก็เลยตอนต้นเลยต้องลองส่งไปเรียนที่เมืองนอกก่อนสมัยที่เมืองไทยไม่มีมหาวิทยาลัยก็เลยต้องส่งไปเรียนเมืองนอกพอส่งไปเรียนเมืองนอกก็จบได้นี่หว่า้คนไทยก็จบปริญญาได้เหมือนกันเนี่ยเหตนก็นมาตั้งมหาลัยในเมืองไทยเลยดีกว่าเออตอนต้นก็นไม่แน่ใจคิดว่าพรั่งเรียนจบปริญญาได้เท่านั้นคนไทยจบไม่ได้ แต่พอลองส่งคนไทยไปเรียนเมืองนอกดอูมันก็จบได้นี่พวกเราก็เหมือนกันเนี่ยพวกเราตอนต้นก็นไม่รู้ว่าจะเป็นพระอารหันต์กันได้หรือเปล่าพอเห็น ค, คนนู้นคนนี้เขาไปบวชเขาไปปฏิบัติเขาเป็นพระอารหันต์กันขึ้นมาเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องเป็นได้เหมือนกันนี่เขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็มีโลกโกรธหลงเหมือนเราแต่ทาไมเขาไปเป็นพระอารหันต์ได้ เพราะเขาไปเรียนกันไปปฏิบัติกันเองเขาเข้าโรงเรียนกันเข้ามาหาอะไกันเขาก็ได้ปริญญากันถ้าเราไปเรียนเราไปปฏิบัติเราก็ต้องได้เหมือนกันขอให้เราไปเรียนนะไปสมัครเรียนเสียมาอะไราของพุทธศาสนาเรียนศีลสมาธิปัญญาทั้งสามสามวิชาทั้งง่ายกว่าเรียนมาหาอะไรเยอะแยะมหาอะยเรียนไม่รู้ต้องกินหน่วยกิตร้อยสามสิบห้าหน่วยกิตถึงจะได้ปริญญา นี่เรียนแค่สามหน่วยกิจนะสามวิชาเท่านีน้เรียนศีลรักษาศีลแปลนให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิให้จิตสงบตลอดนั่งนั่งได้เรื่อยๆชำนาญจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้พอออกจากสมาธิมาก็ฝึกใช้ปัญญาสอนใจให้ฝืนความอยากให้หยุดความอยากพอไม่ทาตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดพอหมดก็เรียนจบได้ปัญญาเอก ได้นิพพานเป็นเป็นปริญญานี่คือสิ่งที่เราทุกคนทาได้นะอย่าอย่าประมาทความสามารถของพวกเราพวกเราถ้าอยากจะเรียนมหาอะไรก็เรียนได้อยากจะจบด้าได้ก็จบได้แต่พวกเรามันไม่อยากกันนั่นเองอยากไปเที่ยวไปเล่นกันมากกว่าพอจบปริญญาตรีก็พอแล้ว อันเนี้ก็ต้องเรียนปริญญาโทกันเพราะว่าอย่างนี้แข่งขันกันปริญญาตรีไม่มีความหมายใล่ไไปสมัครงานเขาไม่มีโทเขาไม่รับนี้ก็เลยถูกบังคับให้เรียนโท<พ>ต่อไปอาจจะถูกบังคับให้เรียนปริญญาเอกกันก็ได้พวกเราต้องถูกบังคับถึงจะไปกันถ้าเราอยากจะถูกบังคับให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะบังคับให้เราไปเรียนกัน พอต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะหาความสุขกันไม่ได้อย่างน้นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆเราเราจะไปเรียนกันพอเราเรียนจบแล้วนี่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราก็ยังมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้โอกาสอัน ง, งามนี้ ด, ดูดลอดไป โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเลยอย่างนั้นก็ขอให้เข้าได้ขั้นแรกก็ยังดีได้ขั้นปรินดาตีก็ยังดีได้ขั้นโสดาก็ยังดีได้เข้าสู่กระแสรพระนิพพานก็ยังดีทำแล้ว น, น, นนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวเรวะหาปูราประาปริโตเรนติสาคะรัง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 มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาทานศีลสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง